อันนี้เหมือนกันพิจารณากับไปกันมาทั้งภานออกภายในเที่ยดเทียงแน่ทุกสัดกส่วนโลกกว่นี้กว้างแ็นกว้างมันเหมือนกันนี่หมดนอ่าลงใจเลยทัดเย็นพอลงใจแล้วมันหายห่วงกันดีความกังวลทั้งหลายมอุปทานซึ่งซึ่งเป็นเหมือนหองเหมือนเหลาถอนมันเองอย่าง น, นี้จะไหนพ้นปีนทาผู้ทีจ่จ้าท่มทุนก้าวิด ต, ต่อทํา โตสอนว่ายัางไงให้พยายามทําจิตให้เป็นอย่างนั้นฝืนบงังคับสิ่งได้ี่ฝืนทําสิตนั้นคือกิเลสเอาจนไม่มีอะไรฝืนมันเต็มที่แล้วไม่มีอะไรฝืนเอาที่อาดจัดให้จิตบริสุทธิ์ดี่ๆจะมีอะไรมาฝืนไม่มีมอดเห็นเราเราจะเห็นได้ชัดว่าอ๋อความฝืนทั้งมวล น, นั้นไม่ว่าหยาบและละเอียดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะเพราะถึง หดล้นๆแล้วมันม pues, ีอะไรสุนอยูงก็อยู่ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดอันนี้ก็ไม่กระดูดกับอะไรอะไรก็ลังมาดูดกับมันนั่นมันไปดูดขนาะเป็มที่เหมือนโลกไม่มีปุ่นเอาทั้งๆที่อยู่ในโลกในขันนี่แหละเหมือนไม่มีเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วความรู้ตรงนั้นเพงพูดอะไรไม่ถูกเลยหาะเจ้าของไม่สงสัยความรู้นั้นเป็นยังไงความรู้ที่ไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่เกาะไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรมา เกิดมาแทงไม่ยินันมากดถีบบังคับอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองตามหลักธรรมชาติอตัตโน ม, มัตินั้นเป็ น, นยังไงมันพูดไม่ถูกอจะขอให้ไม่สงสัยนะมันจะอะไรมาดูมัหมดพ่เรนหน่ะมันดูดมันหลอกดูดไปดูดม า, อ ย, ามอยู่นั้นไม่หยุดไม่ถอยเอาให้มันได้อันหนักมือไปถอยหลัง ออืแต่เราจะต้องการพ้นจากทุกเราอยาเห็นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรการบังคับวิเลตที่ประเภทซึ่งมันกําลังฝืนทำเราฝืนวิเลตวิเลตฝืนทำโซ่กันนี่ทุกข์กับทุกตรงนี้เป็นไรทุกเพื่อเจตนาไม่เสียหายที่ตรงไหนเลยเอาให้กินให้สั่งตรงนี้เนี่ยตรงที่จะเอาเจตนากันอยู่ตรงนี้นะจะไปหามองหาไกลนะอืการที่นี่สถานที่นี้อะไรนั่นเป็น ที่ประกอบความภาคเปลีนเพื่อเอเมื่อความสะดวกแต่การประกอบความเพลี่ยนพลังงาแต่สิ่งที่เราจะถอจะถอนฟาดจะปันมันจะแท้อันเป็นตัวค่าสิบคืออะไรมันอยู่ที่จิตเอาลมที่ตรงนี้อย่าหมุนไปที่อื่ิตลุกคมูลเซนนาสฮาร์าดนั่นเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเปลี่นสอนงเราจะไปคาดเพื่อ จ, จน ดืมเนื้อดื่มเกลืนดื่มเรี่ยวแรงซึ่งกาลังเหยียบย่ำธนารจิตนี้มันก็ผิดไปอ๋อจริงจังจิตธรรมันหลุดลอยออกจากสิ่งอย่านี้แล้วมันก็ไม่อะไรกับที่ยานเหาะเขาอยู่บนอาวาากาศนะฮะมันมีเครื่องดึงดูดอะไรหมดหน้าของโลกมันดึงดูดไม่ถึงหรอ ว, าอาวากาศอันน น, นี่อาวากาศของจิตของธรรมนี่เป็นอย่างนี้ คืออากาศของธรรมนี่อยู่กับโลกนี่แหละถ้าเข้ากันอย่างนี้หากไม่ดูดไม่ดูดกับอะไรอะไรมีดึงขันทีอยู่กับตัวแท้มันก็ไม่ดูดกันไม่จึงดูดกันซึ่งแต่ก่อนมั น, มนแบกเอาหมดแบกคนตั้งขี่คนไม่มีที่เหนืออุปทานมันยึดมันถือมันแบกมันถามนัม่นเป็นเราตัวของเรา พอพิจนรณามันรู้แจ้ออ ง, งจริงแล้วมันพ้นยาผืนทํำร้อยตามที่เนึ่ตรงนี้สําคัญมากน้ อ, อยายาไปบักขนาดไหนเอาคืกไปค้านไปอย่าไปถอยทําไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้เอาฝืนทำว่าไม่รักอย่าไปรักมันรักก็บฝืนความรักแก้ไขเหตุผลมันรักเพราะเหตุอะไรนะ มันเตียดแก้ความเตียดมันเตียดผลขุนกลไกอะไรทําม่ให้เบียดมีนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันพุ่งไปตรงกลางตามหลักธรรมชาติของคนอื่นแล้วความรักมันก็เป็นสิ่งเป็นกาฝากความชั่งก็เป็นกาฝากมากกัดสิตนั่นแหละถึงเรียกว่ากาฝากเหมือนอย่างกาฝากต้นไม้มันเกิดจากสิ่งไม้ใดก็ตามที่ไม้นั้นต้องเป็นอาหารของมันมันเป็นต้นเป็นลํำของมันเองแต่มันอาศัยดูด ตม้มันเป็นอาหาัของมันหอกิเลสมันกันมันเป็นกิเลสของมันเองมันดูจิตใจเนี่รับความทุกข์ความลำบากดูแล้วมันดุอยู่ตลอดเวล่ะเอาเอามันออกถอนมันออกถอนมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแสงสบายอยู่ไหนก็อยู่แล้วตาตาหรือเปล่ว่าอไรนะั้นเต้นดูกระเทยไหลหรือมันไหนตื่นขึ้นมาก็มองก็เห็นมันจะ รูปเสียงเป็นรูเครื่องนักาชที่มันเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วตั้งต่กัตตั้งกันและะ้วเราจะไม่เกิดมันก็มีแล้วลตายไปแล้วมันก็มีแล้วังเอะไรกับมันแล้วมี อ, ะ, อ, อ, มนนมอะไร ย, ยวิเศษวิโสในโลกนี้ถ้าวัานโลกนี้มีวิเศษวิโสนอกจากทำไปนี้แล้วคนทั้งโลกที่อยู่กันนั้นมันก็ต้องมีงเศษวิสโสกันไปมากมายแล้วไอ้เอล่านั้นเนี่ยเห็นที่ไปทนี่มีแต่กองถูกเราเห็นได้อย่างชัดๆมองดูก็รู้ ความกดขี่บังคับของกิเลสนี้มันดึงแรงมากภายในจิตใจมันดึงมันดูดทําให้สูญทําไปได้คือคอยตามมันถ้าจิตใจอ่อนเนี่ยก็คอยตามมันไปเรื่อยๆมันดูดมันกําลังมันแรงท่านจึงต้องสร้างสมกำลังของมีให้ดีอาสติปัญญาต่อสู้กับมันมันดูดไปทาไหนชุดลากลับมาเฝือนมันอยู่เสมอเจ้งชื่อว่า ต่อสู้กับพี่เหลือแต่คอยตังค์พี่เดลือไม่เรียกว่าต่อสู้ะถูกมันจูงจมูกเอาต่อสู้มัมเรื่อยๆเอาจนกระทั่งพี่เหลือมันอ่อนลงไปอ่อนไปกําลังของทำมากขึ้นมากขึ้นตรงทั่งเนี่คุยเคียหาที่นี่มันไม่เห็นตัวอะใดตากฏขึ้นมานั่นแหละที่ว่าสนอสติปัญญาธรรมะทางขี่กล่าวแล้วที่นี่เมื่อไปเจอแล้วก็เออได้งานแล้วที่นี่ปุ๊งง่ายเหรอเจอศัตรูแล้วที่นี่รบเอาวกัน ตะลุมบอลกันเลยไม่ไมีถอยเพราะศัตรูมันล้มละนาวไปตายมหมดแล้วค้นหาอีกมันที่ไหนมันหลบซ่นอนที่ตรงไหนมา้างน่ะประธาน ง, งานของจิตขั้นนี้ถึงไม่ว่าเวลาเจอพ่เรกก็ฟาดฟันกับพ่เรกเวลาพ่เรกตัวนี้มันดับลงไปแล้วคุยเคียวหาเพราะมันละเอียดพิเรกน่ะเล่มเรวเป็นงานตลอดคุยเคียวหาก็เป็นงาน เจอเรนแล้วสู้กับพิก็เป็นงานตอ น, นกระทั่งมันมีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคําว่างานก็หมดปัญหาไปเหมืนอนกรรมฐานมีว่างานของพระกรรมฐานของพิจารณาให้มันตลอดลอดสัมทะลุปลุกปล้องไปหมดแล้วมันก็หมดงานวุติการกรรมตะเรียรหมดงานแล้วถึงงานพลังอิจายาสีปิจายนานติที่จะให้ยิ่งไปเลยนี้ไม่มีแล้วนะหมดความเป็นดูดถึง อพี่ดูดิมันดึงดูดจนมานั้งถึงจิตไม่มีอะไรดูดก็ดูดอยู่ในจิตเจ้าของก็ติดเจ้าของเองติดจิตเจ้าของเองหนักเห็นแม่น่ามันเฉลี่ยมันดูดถึงขนาดนหน่อยาก็ดูดถึ่งนั่นสิงนี้ดูด ท, ท, ท, ทั้ทงรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสส่วนทัมผัสถูกต่อจนนอนอ่อนแข็งมันดูดมันดืด่มไปหมดเวลาพี่จึงมากระจายไปกระจายไปมันคลายไปคลายไปคลายไปเรื่ๆคลายเข้ามาคลายเข้ามาจนมันตั้งถึงจิตมันยังมาติดจิตอีกมันดูดอยู่ในจิตจิดูดิให้เล่อในจิิตววชาาไง มันหมดไม่มีทางไปแล้วมันเหลือแต่จิตอวิชาร้อนร้อนึ้นอยู่ด้วยกันมันยังนก็ติดกันได้เพราะไม่รู้เป็นอวิชามันก็ดูอยู่นั่นดื่มอยู่นั่นที่ติดอึู่นั่นที่หมอบอยู่นั่นไม่รู้ตัวสติปัญญาขันนั้นมันเผลอตัวไปได้ไอ้ที่ดูอำนาจที่เด่นมันละเอียดขนาดไหนมันดูจากละเอียดมันดูจากที่ละเอียดต่างๆแล้มันดู่จากละเอียดผมก็มันเป็นวิชาเป็นจอมหายใจพกเอาจนกระทั่งอันนั้นมัน แต่ตระจายไปหมดแล้วไม่มีอะไรดุถึงหมดเหตไม่ได้ติดจิตเหเก็ดจิตอยู่ไม่เรียกว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดจากความึดูความไม่ดุของโลกถึงอยู่อวิชาคือโลกวอนหมดนั้นแล้วก็หมดความมึนดอวกาศของจิตถึงแต่ไม่ตกเหมือนก า, ะะการเล็บการรูกนี้ การเล่าจการบ้านมันขึ้นไปแล้มันตกพินาศิ้งายพดให้กับครัความพินา้หายแมันก็นลงทะเ ล, ลยางดีไม่ป้าของแล้คนตึกรามบ้านของแลกกระจาปเป็นกี่กิโลเวตก็ไม่รู้มันลงถุอย่างนั้นก็สกายเล่สกาเ ล, ล, ลิกอันนี้เาอาที่เราพิเรนลงง่วนสวยไปเป็ไนไงถอยมันไป มหมดเคลื่อนมนดุ่แล้วนั่นแหละที่อวกาศของจิตเราเทียบก็ได้อวกาศของโลกนนะอวกาศของจิตหมดความมันดุ่ยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรดูแม้แต่จิตกัรู้เท่านะมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันไม่ดูดู่ยติ ด, ด, ดเต็ม ก, ก็ดุติดจิตเต็มก็ไม่ติดสิ่งที่ให้ติดจิตนี่มีอยู่ในจิตนั้งจิตจริงจะติดเจ้าของจิตติดจิตตัวจิตตัวเองหลงตัวเองนะหรือตัวเอง เา่เยเครื่องหลอกให้ถือมันหมดไปแล้วมันก็มีอะไรจถือมีอะไรจะแบกมีจะามมันจะยแบบืดมันกแบบ็นแบบนแบบนเป็นอากาศมันก็ดินดูน อ, อย่างนั้นไงในท่ามกลางโลกนี่ยโลกแห่งขังโลคแห่งหมูสัตว์ว่าแต่ก็โลกทางหมูสตัตว์แค่เข้ามาก็โลกแห่งขังมันเป็นโลกด้วยกันไม่ดู อ, อันใดมีอะไรกันมากกว ยิ่เยอะยิ่เยอะยิ่งเยอะตามอาการงมันไปท่านั้นมันก็ไม่รู้ความหมายของมันไอ้รูปร่างกายนี่มันก็ไม่ทราบความหมายมันนะว่ามันเป็นกายนะแล่าให้ใ่ชื่อศสนาใหมันนั้นเปหลงมันไปยึมันเวียนาความสุขความทุกข์มันก็จิ้มเขียนจิ้ทุกอย่างจิ้มเขียนจิ้มอยู่ตามสภาพของเขาทำงานทั้งขาทอย่างต่างกันต่างนี้นพอจิตจิ้มที่างนดียวมันจิ้มหมดอือมัเลยทราบว่าโอ้จิตนี้มันทั้งโลกมันมีจิตตออมันเดียวเท่านั้นทําให้โลกปลอมต่างๆ่างหม ค็แค่กว้าง่มูพ อ, อรู้แล้วมันก็ปล่อยมันลบรรยกาศอยู่ที่เหมือนดูถ้าเราจะยกสมมติขึ้นมาเหมือนดูคนเดียวว่างั้นคนเดียวก็หมายถึงความรู้คนเดียวนั่นเนี่ยรู้นี่พูดไม่ถูกใครก็ตามพูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยต่ขออะมาสงสัยน้องมาพูดไม่ถูก พูดไม่ไดนไม่น่าจะว่าพูดอะไรก็ไม่เหมือนทั้งนั้นที่ไม่สงสัยพูดไม่ถูกเอาให้จริงให้จังสวัสดีค่ะเราทำนี่สดสดร้อนร้อนแท้แท้มัชฌิมาปฏิปทาสดสดร้อนร้อนเห ม, มาะกับ การปาราบี่เ็ดที่ประเทศดูตลอดเวลาเราจะไปคิดการหน้าการหลังอศาสนาเยลเหลียงตัวของเราในตัวเยวเหลี่ยมมันเยวเหลียงจากความภาคความเปลี่ยนความไ ม, ม่สักระยามมันเยวเหลียง้งหมดแต่พิเรนก็ไมีอะไรใหญ่เท่าตัวเราอตัวมันใหญ่ไม่ว่าอืรว่าศาสนาเยวเหลียงเจ้าของเยวเหลียงจากการประกอบผล ง, งานความดีเพื่อพระผลผ่านไม่หวา มันก็ไม่ทางคนมายังที่เดชแก่ที่เดชก็ต้องหาว่บาปคลิกกันอย่างนี้ใช่ไหมันเดียวแหลมอะไรแต่นี้แล้วที่เดชมันเดียวแหลมไม่ร่ะทำไมจะนเดียวแหลมที่จะศาสนาอาจะจะทําให้มันเดียวแหลมศาสนาถ้าไม่ใช่ที่เดชไปทําไปหลอกว่าศาสนาเดียวแหลมก็ต้องฟาดหัวมันพวกมันไปหลอกอย่างนี้ฟันหัวลงไปศาสนาจะเดียวแหลมที่ไหนที่ถ้าศาสนามีกําลังปัญญาสติปัญญามีกําลังที่เดชมก็หมองราบนะคืดฮะ มันหมอบราดที่กิดนี่แหละไม่เป็นหมอบราดถูกที่การมันจะท้านจริงนๆะไม่เล่าไม่ร้ามันมีที่ไหนเนี่ยมันหมอบราดอยู่ตรงที่เนี่ยนะตรงที่มีธาสุกดิ์าตุดิ์หมอกราดไม่อันนี้จริมันการพูดอย่างนั้นนะพูดเอยนะ น, นั่นนะอันี้ผมพูดไม่เป็นมันอันนี้ก็เป็นนิสัยอันหนึ่งของตัวเราเอง การประกอบความเพียนมันก็เป็นอย่างนี้นิสัยมันเวลามันอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนจะพูดอย่างนิ่งเงอ่อนหวานงนั้นนั่งอ่างนี้นะของก็พูดไม่เป็นมันเป็นนิสัยนี่การฝูกทรมานเจ้าของมันก็เป็นลักษณะเแบบนี้นี่มาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือดูด่าว่าเก่าหมู่เพื่อนมันเพียงกับพีนะเอะเวลาดุด่าเจ้าของนีมันเอาจริงเอาจังเงนี้ดุยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้นะกว่างนี่เลยเหมือนกับ ฟันมันจะหักนะเหมือนกับฟันจะหักต้องเพื่อนไปไม่ได้นะหวังอันหนึ่งเพราะว่าแล้วก็าตายเขาว่าเลยตาก็ตายจริงๆมันไม่ถอยเหมือนไปตั้งอยูตรงไปที่ตรงไหนแล้วเอาตายไม่ตายให้รู้ไม่รู้ตายมีเท่านั้นการอื่นไม่มีให้ออกตามช่องที่เราให้ออกนะจะมาออกช่องไม่ให้ออกไม่ได้คําขาดคาจริงนี้ถือที่สุดเหนือชีวิตตายข้อตา นันก็เห็นผลนะี่แหละเป็นอย่างนั้นนะนันเวลามาแนะนำสอนหมู่เพอนันนี้ใส่เมื่อกี้อย่างนั้นมันก็ต้องเอาท่า น, นมาสอนนี่แหละูรูาอาจารย์อะไดก็ตามแตเคยนิงนวนทองท่านมาตั้งแต่ดังเดินท่านก็นิงนวลการประกอบความภาเพียรท่านคงจะเป็นอย่างนั้นเคยเข้มข้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยาให้หมู่เพื่อนนี้เห็นเข้มข้นขนาดไหนคนโดย พบเห็นนั่นทีแรกโอ้มันตัวสั่งเนี่ย <c oughs> มองเป็นตาท่านเหลือบมาพับเท่านั้นมันกับเด็กตั้งหงายไปแล้วตาท่านสำคัญมากตามมีอนาจเลยเสียงก็มีอำนาจพูดถอมานม่แหลมคมขนาะนั้นทีเดกก็ไม่เหมออาะนงว่าอย่างนี้ครัทถ้ามาสอนคล้ายๆท่านก็สอนห น, น่มันผมเลยพยายามสืบเจาะ ถามเรื่องราวทั้งเป็นมาที่เลยเป็นงก็โห้เก่งกว่านี้หลายเท่าอันนี้จะว่าว่านท่านไดเลยท่านลดลงเยอะหว่าพูดถึงอยู่ท่านมาแต่ก่อนท่านนึง่นี่น่นน่นน่นน่นนี่านนี่นีน่นน่นี่นนี่นนีนี่นี่ี่่นี่นี่นีี่าี่น่่น่นี่น่ี่ อ่ะปุดนำ้ระยะจงงี้มันจะเงัน